นี่กลางเป็นไปได้ไหมในการที่น้อยพยายามจะจับทิศเดินย้อนขึ้นไปหาพวกเราทางต้นทางตำแหน่งที่เราพักกันอยู่เชิงเขาน้ำตกก่อนที่น้ำมันจะแทงโกรกลงมาพี่ชายใหญ่ของคณะถามขึ้นขณะที่ทุกคนมาหยุดพิจารณาร่องรอยของฐานน้าเล็กๆใสสะอาดที่ไหลผ่านเนินทุ่งยากอันมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดได้ว่าดารินได้มาพักอยู่ตำแหน่งนี้ชั่วขณะหนึ่ง อนุชากัดเตรมฝีปากแน่นกว่าตามองไปรอบๆแล้วเบนสายตาไปจับอยู่ยังขุนเขาใหญ่ทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกิดอุปัวเหตุขึ้นเมื่อคืนวันเสื่มที่ผ่านมามันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันละครับพี่ใหญ่แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าน้อยจะแม่นในด้านทิศทางนะักอีกประการหนึ่งเขาก็ต้องคิด วพวกเรากาลังออกติดตามค้นหาเขาอยู่เหมือนกันถึงแม้น้อยจะมุ่งเข้าหาต้นแหล่งที่เขาถูกน้ำพัดผ่ากูาก็น่าจะรู้ว่าแม้จะไปถึงที่นั่นก็ต้องไม่พบพวกเราแน่นอนเพราะเราก็ต้องเคลื่อนย้ายออกตามเขาเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าพวกเราบ่ายหน้าติดตามเขาทางด้านไหนบ้างแต่ทางด้านเราน่ะได้เปรียบแล้วเนื่องจากรู้ทางไปของเขา โราจะวิตกหรือคาดการอะไรให้ยุ่งสมองในตอนนี้ล่ะครับพี่ใหญ่เอาเป็นว่าเราสะกดรอยตามหลังรอยเท้าเขาไปทุกระยะก็แล้วกันนนท์ลุงอินโบกมือมานนท์แล้วอดีตพรานชดบุยปากทุกคนเงยหน้าเหลียวหาก็เห็นหนานอินซึ่งเดินติดหลังเจ้าด่วนอันมักจะนำหน้าไปก่อนไกลลิฟ์ปรากฏอยู่บนเนินลูกหนึ่งห่างออกไปประมาณหสิเมตร ขณะนั้นแกกำลังโบกมืออยู่ย้อยๆแล้วตะโกนอะไรออกมาฟังแววๆไม่ถนัดดูดูลุงอินนี่วิทยุมีไว้ประจำตัวอยู่แล้วไม่ยากกับพูดวิทยุดันตะโกนแย้วๆยวอยู่ได้ชยันบนเชษฐาก็ชูวิทยุในมือขึ้นให้แกเห็นและทำสัญญาณชี้ไปที่เครื่องรับส่งอาการของแกจึงดูเหมือนจะนึกขึ้นมาได้ ถ้าทางค้นหาไปทางย่ามอีกใจต่อมาแกก็เปิดสวิตต์กดคีย์พูดมาเสียงดังเอ้าไปหมดจากเครื่องรับของฝ่ายนี้นายตามมาทางนี้เร็วหลังเนินที่นานอินยืนอยู่นี่มีป่ากล้วยมีรอยนายหญิงเดินเข้าไปในป่ากล้วยที่เห็นอยู่โ น, น่นไอ้ด้วนน้ำดุมก็ไปก่อนแล้วละ่ะทั้งหมดไว้ตัวพร้อมกัน แล้วสาวเท้าตามไปในทันทีอย่างรีบด่วนข้างนั้นอินไม่เห็นทุกคนบาบหน้ามุ่งมาตัวแกเองก็เดินลับลงเนินไปก่อนทันทีแล้วชั่วไม่นานคณะติดตามทั้งหมดก็เข้ามาพบกัะหลักฐานการมาหยุดหาอาหารประทังชีพของน้องสาวคนเล็กภายในปากกล้วยที่ออกเครือสุกเหลืองอาร่ามอันขณะนี้เต็มไปได้วยฝูงนกบินว่อนนานอินนามาพบ แม้แต่รอยเคลือกรุวยที่ถูกตัดไว้และบริเวณที่หล่อนมานั่งพักนายหญิงรู้จักการเดินป่ารู้จักหาอาหารนี่นายหญิงรู้ได้ยังไงว่ามีปา่ารุ้ยอยู่ตรงนี้นั้นอินร้องออกมาอย่างยินดีเมื่อนำให้ฝ่ายเจ้านายทั้งหมดมายืนอยู่เหนือบริเวณหนึ่งอันเป็นรอยลงนั่งพักอีกครั้งหนึ่งของดารินมันเป็นรอยพักที่น่าจะนานพอสมควรทีเดียว พราะมีใบตองที่ตักไว้รองปูอยู่กับพื้นเพื่ออาศัยเป็นที่รองนั่งหลงอกไปอีกเปลอนึงแล้วครั้งแรกได้น้ำต่อมาก็ได้อาหารประทังชีพชยันเอ่ยขึ้นแผ่วต่ำทุกคนมองหลักฐานที่บ่งชัดนั้นอย่างพอใจพยายามช่วยกันตรวจหาร่องรอยว่าจะมีเหตุเพศภัยใดๆเข้ามาแทรกในระหว่างที่ดารินนั่งพัก อยู่ในบริเวณนี้บ้างหรือไม่ก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกตินอกจากสภาพการที่ทิ้งร่องรอยไว้ว่าได้พลัดหลงมาตามลำพังคนเดียวและใช้สติปัญญาไหวพริบที่มีอยู่อย่างเต็มที่ประกอบกับความรู้ในการเดินป่าอันเคยช่ำชองมาแล้วในอดีตแสวงหาการยังที่ให้พอประทังรอดไปได้อย่างเลือดนักสู้ใจเด็กผู้ไม่ยอมท้อถอยต่อชะตากรรม พี่ชายทั้งสองสีหน้าดีขึ้นเป็นลำดับเชษฐานะควบคุมสติได้แล้วนับตั้งแต่ได้ติดตามรอยของน้องสาวคนเล็กมาและเห็นมาเป็นระยะระยะนี่พี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าน้อยจะเก่งถึงขนาดนี้ท่านหัวหน้าคณะพึมพำรรแผ่วเบากับตนเองแม้จะห่วงกังวลแต่ก็ยังอดภาคภูมิใจซะไม่ได้ก็คงไม่เสียแรงแล้วครับปีญ่ ที่เป็นลูกศิษย์คนชื่อรพินไทยวันน่ะอนุชาเอ่ยขึ้นหน้าเรียบเฉยพลางก็ตรวจไปรอบๆโดยแยกไปคนละด้านกันกหนานอินส่วนเจ้าด้วนก็เลยถือโอกาสนั้นหักถึงเครือร่วยใสปลาเคี้ยวกรวมกรวมทั้งเครือไม่เลือกว่าดิบหรือสุกมันก็คงต้องการอาหารเช่นกันนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย น้อยมาพักนอนตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเชษฐากระสิ์ปรึกษากระชายันอดีตนายทหารปืนใหญ่เพื่อนร่วมตายเอามือขยี้ปลายคางอืมฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมาถึงที่นี่เวลาไหนนะถ้ามันใกล้คำเต็มทีเขาก็คงต้องนอนอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าหากยังมีเวลาพอแสงตะวันยังอยู่ขนาดจเดินทางต่อไปได้ ฉันว่าน้อยก็น่าจะออกเดินทางต่อและแต่ฉันว่าน้อยคงไม่ได้นอนที่นี่นะดูจากรอยตัดใบตอมาปูไว้สิมันเป็นลักษณะเพียงแค่นั่งพักเท่านั้นแหละไม่มีร่องรอยนอนไม่มีรอยก่อไฟแลวก็ตำแหน่งนี้ถึงแม้จะดูว่ามันน่ารื่นรมเพราะอุดมไปด้วยอาหารแต่มันก็ไม่น่าจะปลอดภัยนักที่จะอาศัยนอนา น, า น, า น, า น, านั่นๆไง กลางคงพบอะไรเขาอีกแล้วล่ะประโยคสุดท้ายเชิดถาพยักหน้าไปทางน้องชายกลางซึ่งก้มลงตรวจพื้นปากล้วยบริเวณหนึ่งห่างออกไปราวๆเจเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแล้วชูมือขึ้นดีดนิ้วเหมือนจะเรียกทุกคนให้เข้าไปสมทบขยินผู้อยู่ใกล้ๆแล่นเข้าไปถึงก่อนก้มลงมาอีกคนนึงแล้วก็เอามีดฟันใบกล้วยที่เกะกะขวางหน้าชับชบัขาดกระจุยไป ตัวเองก็ก้าวตะลุยลึกเข้าไปอีกพร้อมกับร้องมาตื่นเต้นเป็นภาษาของตอนว่านายหญิงออกเดินต่อไปทางด้านนี้ตามขยินมาได้เลยพูดจบขยินก็ออกนำเดินรุดหน้าไปทันทีโดยไม่รอเมื่อเชษฐาชัยยันเข้ามาถึงตำแหน่งที่อนุชา ย, ยืนอยู่อดีตพรานชดชี้ปลายลำกล้องไรเฟิลประจำมือ ให้เห็นรอยเท้าของดารินแทนคำพูดใดๆทั้งสิ้เนี่เธอแน่ใจเหรอว่าน้อยจะเดินทางต่อโดยไม่ได้พักนอนตรงตำแหน่งที่เราเห็นเอาใบกล้วยมารองไว้เนี่ยพี่ชายใหญ่ถามแน่ใจครับพี่ใหญ่เพราะเป็นรอยเท้าคนละด้านกบที่เข้าไปนั่งพักกินกล้วยเป็นลิงอยู่ตรงโ น, น้นและน้อยก็คงไม่โง่ที่จะพักอยู่กลางดงกล้วยนี่หรอกครับเขาจะต้องรุดหน้าต่อไป หลังพักเหนื่อยกินอาหารรองท้องพอมีกำลังมันแสดงให้เรารู้ชัดว่าเขาผ่านเข้ามาที่นี่เมื่อยังไม่เย็นจนเกินไปนักเชื่อเถะครับบเดี๋ยวเราก็ต้องพบที่พักนอนแ <ๆ S 2> <injected. S 2> น่ๆซึ่งมันจะช่วยเราวินิจฉัยอะไรได้มากขึ้นไปอีกเอางั้นก็ตามต่อเร็วถ้ายังไม่ได้หลักฐานอะไรที่น่าพอใจมากกว่านี้เราก็ยังไม่กินกันละแข่งกัเวลาหน่อยเชิาออกคาสั่งเร็วปือ ทุกคนสาวไปตามรอยที่ค้นพบอย่างต่อเนื่องนั้นโดยมีขยินเดินแกะรอยนำอยู่ด้านหน้าในจำนวนบุคคลสามคนของคณะระหว่างนันอินอดีตพรานชดและเจ้านักเลงโตหล่มช้างขยินการติดตามรอยดารินตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นมาทั้งสมทำงานประสานกันได้ดีเยี่ยมถ้ามแม้ว่าคนใดคนหนึ่งจะมัวงุนง ง, งทำท่าเหมือนจะหลงผิดเส้นทาง อีกคนก็จะต้องเป็นฝ่ายค้นพบทิศทางที่ถูกต้องโดยผลัดกันอยู่ทุกระยะพร้อมกับร่วมหารือกันไปตลอดการกระชั้นรอยจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งทำให้เชษฐาและชยันเกิดความอุ่นใจขึ้นไปอีกพวกลูกหาบทั้งหลายก็ไม่มีผู้ใดแสดงอาการท้อถอยอ่อนเปรี้ยเลยทุกคนมีความเร่าร้อนใจเหมือนกันหมดในการที่จะไปตามนายหญิงให้ทัน เพราะยิ่งเนิรนนานล่าช้าออกไปเท่าใดต่างก็จะหนักดีว่าอันตรายก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับนายหญิงมากขึ้นเท่านั้นทุกคนหวั่นลึกๆอยู่ในใจตรงกันหมดเพียงแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมาเท่านั้นนั่นก็คือการตามรอยดารินในขณะนี้ไม่ยากทว่าจะตามไปทันต่อเหตุการณ์หรือไม่เท่านั้น ท่ามกลางมาหันตภัยที่ครอบงำแวดล้อมอยู่ทุกฝีก้าวอันทุกคนระหนักดีขอคุณพระคุ้มครองน้อยด้วยเถิดอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปเะก่อนที่พี่พี่พทุกคนกำลัง <ไป S 1> จะตามทันเชืฐารำพึงอยู่ในใจพลางก็บนบานสารกล่าวอยู่ภายในอีกห้านาทีจะเป็นเวลาบ่ายสามโมงตรง ทุกคนก็มาหยุดยืนนิ่งอยู่ในเขตป่าหินอันเป็นบริเวณติดต่อกะโดงกล้วยณตำแหน่งที่หลักฐานแสดงชัดว่าดารินวราริศอันเป็นเป้าหมายในการติดตามกันอย่างเร่งรุขดขณะนี้ได้มาอาศัยพักนอนอยู่มันเป็นชยภูมิที่นักผ่านผจญป่ามาอย่างโชคโชนอย่างหล่อนจะพึงเลือกอย่างถูกต้องแล้วเพราะเป็นมุมที่ภัยอับ หรืออันตรายใดๆที่จะย่างกลายเข้ามานั้นมีโอกาสได้ยากพื้นกวดหินอันอุดมเกลื่อนกลาดจะส่งเสียงแสกสากเตือนให้หลอนได้ยินเท่าๆกับมุมงแง่โคถินที่งอกอยู่เป็นกำแพงขวางกั้นทั่วไปที่นั่นต่างพบกิ่งไม้แห้งที่น้องสาวคนเล็กก่อไฟไว้มอดดับอยู่มันเป็นแต่เพียงร่องรอยที่พิสูจน์ชัด ว่าราตรีที่ผ่านมาหล่อนได้มาพักนอนตรงนี้แน่นอนทว่านะบัดนี้บ่ายสามโมงไม่มีดารินวราริ์อยู่ในตำแหน่งอันตามมาพบครั้งสุดท้ายซะแล้วระหว่างที่ทุกคนมายืนตะลึงดูเงียบงันกันอยู่นั้นอนุชาสุดตัวลงไปนั่งกลางแง่หินเตีย้ยๆเอาผ้าขนหนูที่พันคออยู่ขึ้นมาซับเหงือ่อกล่าวเสียงห้าวขรึม ทำลายความเงียบว่ะเราอย่าเพิ่งวินิจฉัยอะไรกันให้มากมายไปก่อนเลยครับจากเช้าตรู่จนมาถึงเดี๋ยวนี้เราเดินทางกันเป็นบ้าเป็นหลังมาร่วมสิบชั่วโมงลวโดวยไม่ได้พักกันเลยผลที่ได้รับก็น่าจะพอใจแล้วล่ะคือสาวรอยน้อยมาได้ตลอดจนกระทั่งมาถึงตำแหน่งที่พักนอนของเขาเมื่อคืนเอาเป็นว่าตอนนี้เราหยุดพักกันสักชั่วโมงเถอะทุกคนคงจะหิว แล้วเวลาก็ยังพอมีไปเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อ่าๆตกลงพักเหนื่อยชั่วคราวทุกคนกินอาหารแล้วกันเชษฐาเห็นด้วยยังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าและดูเหมือนจะเป็นการเดินทางกันอย่างเร่งด่วนที่สุดนับตั้งแต่ออกเดินทางมาแต่ต้นคณะทั้งหมดพักผ่อนกันตรงตำแหน่งที่ดารินมาอาศัยนอนเมื่อคืนที่ผ่านมาตำแหน่งนั้นไม่มีเวลาพอสาหรับการหุงหา ทุกคนได้รับคำสั่งให้ใช้เครื่องกระป๋องอันประหยัดเวลาที่สุดพวกลูกหาพอกินเสร็จก็ลงนอนแผ่สองสลึงไปตามๆกันเพราะมีภาระหนักในด้านการแบกสัมภาระมาด้วยแต่เชษฐาชายันอนุชาขยินและหนานอินยังคงนั่งรวมกลุ่มกันอยู่พลางช่วยกันสอดสายสายตาสำรวจไปรอบๆในขณะที่ยังไม่มีโอกาสจะลุกขึ้นออกตรวจหาได้ในระหว่างกินอาหาร ภาวะทางร่างกายทุกคนยอมรับว่านื่ยแทบขาดใจแต่สภาวะทางใจยังมุ่งมั่นต่อไปอย่างเด็ดเดี่ยวเพราะความหวังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วชายันยิงปืนสั้นขึ้นอีกนัดหนึ่งกองสนันสะท้อนไปไกลในบริวารในบริเวณป่าหินและป่าที่ต่ำลงไปแต่ก็ไม่มีเสียงปืนตอบรับ จะมีก็แต่เสียงสัตว์สีเท้าและสัตว์หลายชนิดตกใจเพ่นแตกกระจายกันออกไปในละแวะกรอบด้านที่ห่างไกลพอจะสัมเนียกได้ยินเฮ้ i, เสียกระสุนเปล่าอย่ายิงเลยอนุชาบอกมาเสียงต่ำๆเอ็นกายลงเอาหลังพิงหินในตำแหน่งที่หน้าพักนอนนั้นถ้าไม่ห่วงเรื่องน้องสาวซะอย่างเดียวเขาเองก็อยากจะหลับ เต็มประดาน้อยยังมีชีวิตอยู่แน่นอนแต่ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้หรอกขอให้ทุกคนพิจารณาให้ดีเราใช้เวลาสิชั่วโมงของวันนี้ตามมาจนกระทั่งพบตำแหน่งที่พักนอนเมื่อคืนของเขาที่นี่ขณะที่เราเริ่มต้นออกเดินทางตามหาเขาในวันนี้ มันก็คงจะเป็นเวลาใกล้เคียงกันกับที่เขาก็เริ่มออกเดินทางจากที่นี่นั่นแหละเอาเป็นว่าเราออกเดินทางตีห้าครึ่งน้อยซึ่งมานอนอยู่ที่นี่ก็คงจะผละออกจากตรงนี้ไปเมื่อตะวันขึ้นแต่เชื่อว่าควรจะเป็นเวลาแปดโมงเช้าเราจะนับเวลาคำนวณได้เลยว่าเขาได้ออกเดินทางจากที่นี่ไปกี่ชั่วโมงแล้วก่อนที่เราจะมาถึง อถ้าแกบอกว่าน้อยออกจากที่นี่แปดโมงเช้าของวันนี้เวลานี้มันบ่ายสามโมงก็แปลว่าเขาได้ออกไปก่อนแล้วเป็นเวลาจิตชั่วโมงชัยยันว่าอนุชายิ้มแค่นแคนพยักหน้าลงเอามือหยิบเศษกิ่งไม้แห้งที่ไฟกินมอดเหลืออยู่เพียงแค่คืบเดียวจากกองไฟขึ้นมาพลิกดูอย่างปราศจากความหมายมใช่ เชั่วโมงน้อยได้ออกจากที่นี่ไปแล้วซึ่งเรามาพบตำแหน่งเริ่มต้นออกเดินทางของเขาในวันนี้และลองคิดสิว่าเวลาเจ็ดชั่วโมงเต็มเต็มหรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยน้องสาวของเราจะเดินไปได้ไกลสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ยินเสียงปืนที่กระยิกเรียกแน่นอนใชยันทูน้อย จะบุกบั่นไปถึงไหนกันเนี่ยชยันครางอย่างคนที่จนต่อความคิดถอนใจยาวเออยิ่งกระชั้นรอยเขาเข้ามามากเท่าไรเราก็มีทั้งความดีใจและประวัตใจบนกันจนแยกไม่ออกถ้าหากว่าน้อยจะยึดที่นี่พักอยู่ก่อนโดยไม่ไปไหนไกลป่านนี้เราก็พบตัวเขาละ นี่ก็เล่นเอาเธอเจ้าล่อกันอยู่แหละเราเดินตามหาเขาเขาเดินตามหาเราไอ้ฝ่ายเรานะ่ะรู้เส้นทางเขาบ้างแล้วละ่ะจะทางด้านเขาละ่ะจะเอาอะไรเป็นเครื่องชีบ้บอกถ้ามีอะไรมักระซิบน้อยสักอย่างเดียวอะว่าให้อยู่ที่นี่รอคอยเราก่อนเราก็ได้พบเขาแล้วนี่นีนี่ช่วยกันใช้ความคิดอ่านไรตร่องดีกว่านะอย่าบน มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกน้อยก็จะไปรู้ได้อย่งไรว่าเรากําลังตามรอยเขาอยู่ในขณะ น, นี้แล้วก็จับข้าวเงื่นได้บ้างล้วชัยยันว่าเชิดาว่าพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่คิดอะไรอย่างผมไหมครันแล้วอดีตพรานชดก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบต่ําของเขาพี่จะไปรู้ได้อย่างไรว่าเธอคิดยังไง พี่ใหญ่ครับจะเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่าอะไรผู้ที่จบซีผมก็เพียงแต่คิดสังหรณั้นล่ะครับอาจจะเป็นการคิดไปเองก็ได้ครับคือนับแต่พลัดพรากจากเรามาเมื่อวานซืนและตัวเองก็หลงเตลิดเปิดเบิงอยู่ในป่าคนเดียวแทนที่น้อยจะคิดหาทางมาพบ เพื่อสมทบกับพวกเราซช ก, ก่อนเขากลับคิดที่จะบุกบั่นติดตามคณะของระพินต่อไปตามลําพังคนเดียวเพรารู้อยู่แล้วว่าพวกเรานปลอดภัยอยู่พร้อมกันหมดทุกคนแล้วมีเขาคนเดียวเท่านั้นแหละที่แยกทางไปจิ้งฉวยโอกาสนั้นทันทีมันน่าจะเป็นไปได้ไหมครับพี่ใหญ่เฮ้ยไอ้บ้าน้อยไม่คิดบ้าบอขอแต่ยังแกคิดหรอกแต่เขายังสติดีอยู่อ่ะ ชายันร้องลั่นออกมาส่วนเชษฐาก็โครงศีรษะไม่เห็นด้วยเช่นกันอนุชาแยกเขี้ยวหัวร้อง <c oughs> ในลำคอใช่ถ้ายังมีสติดีอยู่จะกกคิดเหรอว่าน้อยสติดีอยู่ถ้าเขาสติดีครบถ้วนเขาก็คงไม่เป็นเหตุให้พวกเราต้องมาเดินป่านรกตามหาระพินอยู่อย่างนี้หรอก นี่กลางน้อยจะคิดมุ่งตามระพินลำพังคนเดียวได้ยังไงในเมื่อปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเขาพลัดจากพวกเราไปคนเดียวไอ้เครื่องไม้เครื่องใช้อะไรมันก็ไม่มีเลยมีกระปืนสั้นไ ต, ต่ตอยู่กระบอกเดียวเท่านั้นแหละเชษฐาแยงมาจ้องหน้าน้องชายขม็งอนุชา ย, ยักไหลฮ ก, ก็ไม่แน่ครับพี่ใหญ่ ยายนั่นแกมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ไหนนับตั้งแต่รู้ว่าคู่รักขายเข้าป่าไปอ่ะไม่เห็นเลยมันจะเป็นจะตายอยู่ทุกวันน่ะแม้แต่จะออกเดินทางตามแล้วก็ออกตามผมเห็นน้อยเหมือลอยแล้วก็ทําอะไรแปลกๆที่คิดไปไม่ถึงเสมอไม่เดี๋ยวก็ร้องไห้อย่างกับคนบ้าเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้ม อ, อย่างที่ผมสงสัยนี่เหมือนกันนะครับคือพอตั้งหลักได้แทนที่จะค้นหาพักพวกพี่น้องที่มาด้วยกันก่อน แม่กระโจนโอกาสนั้นมุ่งออกสกัดติดตามระพินตามลําพังซะเลยนี่ผมก็เพียงแค่สงสัยนะครับมันอาจจะผิดก็ได้ถ้าน้อยทําอย่างงั้นก็แปลว่าวเขาไม่ห่วงพวกเราเลยสิชายันกล่าวมาดังๆนะก็พวกเราไม่มีอะไรจะต้องห่วงไม่ใช่เหรอในเมื่อเขารู้อยู่แล้วนี่ว่าเราจับหมู่อยู่กันครบทีอย่างนี้ตัวเขาเองต่างหากที่แยกเดียวออกไป สังเกตร่องรอยที่คนได้มาทุกระยะตลอดวันนี่น้อยพักที่ไหนไม่นานนะไม่มีวิแววของการทอถอยทอดอะไรเลยมีแต่การเร่งเวลารุดหน้าไปยังกับคนมีชีวิตอยู่ในป่าตลอดการหรือเปรียบเหมือนสัตว์ป่าอย่างนั้นแหละดูเขาจะไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยไม่มีรอยล้มลุกคลุกคลานไม่มีรอยปัดปเป๊ะหมดแรงมีแต่ร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมือเดินป่าอาชีพ เหมือนพวกเรามีชีวิตอยู่แบบระพินหรือลุงอินอย่างนั้นแหละนี่กลางพี่ว่าเธอคิดไกลเกินไปแล้วละ่ะพี่ชายใหญ่ติงมาด้วยเสียงตำหนิไม่เห็นด้วยอย่างแรงเธอไม่ดูจักน้องสาวของเธอหรอกเร้อ ว, ว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าอยากจะเห็นเขาล้มลุกคลุคานทอดอะไร เที่ยวได้ไป้ายน้ำตาไว้กับพุ่มไม้ใบย่ายเราเห็นถึงความท้อแท้ทอดอะไรของเขางั้นเหรอแล้วถ้าจะพูดกันไปน้อยน่ะเป็นนักเดินป่าที่ไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าพรานอาชีพเลยนะแล้วก็เป็นคนใจเด็ดที่สุดพี่เชื่อว่าจุดแรกที่เขาพยายามค้นหาก็คือพวกเราไม่จะมุ่งไปตามรพินโดยลำพังคนเดียวอย่างที่เธอว่าหรอก บางทีผมก็อาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้ครับพี่ใหญ่อดีตพรานชดรับปากปาเศษไม้ที่ถูกกินไฟเกือบหมดท่อนอันถืออยู่ในมือขณะ น, นี้ลงไปในกองเท่าของมันตามเดิมแล้วควักบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าช้าๆกล่าวต่อไปว่าถ้าน้อยคิดที่จะค้นหาพวกเราให้พบซะก่อนก็เป็นความคิดที่ถูกต้องของเขาละ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมระแวง ก็แปลว่าเขาบ้าไปจริงๆและถ้าพิสูจน์ได้ในข้อนั้นพบกันเมื่อไรผมจะหักเรียวไผ่หวดหลังเส้ลายทั้งตัวจ้ะนี่กลางแค่ควรดีใจจากหลักฐานที่เห็นอยู่ในหลายๆข้อนะแทนที่จะคิดในแง่อกุศลบ้าๆแบบนั้น่ะยังน้อยเราก็รู้แน่กันแล้ววันหนึ่งน้อยยังมีชีวิตยอยู่สอง เขาไม่ได้รับอันตรายใดๆมากแล้วก็ยังแข็งแรงดีแล้วก็ข้อ3เขายังมีความกล้าหาญทรหดบึกบืนมีมาณะเต็มที่ไม่ท้อแท้ต่อชีวิต4เขายังรู้จักหาทางที่จะเอาตัวรอดได้ในทุกกรณีทุกคนยอมรับใช่ไหม ว่าน้อยรู้กฎกติกาของการเดินป่าอย่างดีมาก่อนอนุชาถามเรียบๆไปยังทุกคนแน่นอนเชี่าและชัยยันรับคําอย่างหนักแน่นแล้วย้อนว่าแล้วย่งไรต่อก็คนที่รู้กฎกติกาเดินป่ามาอย่างดีแล้วอย่างน้อยเมื่อตัวเองมีชีวิตรอดมาได้แล้ว พบสถานที่และแหล่งอาหารพอจะประทังชีพได้ชั่วคราวแล้วตามหลักจะต้องไม่รีบด่วนออกเดินทางไปไหนซะก่อนในเมื่อตอนเองก็รู้แน่ว่าพักพวกจะต้องตามหาเขาควรจะปักหลักอยู่กับที่สักระยะหนึ่งก่อนเพื่อรอคอยเพราะก็รู้ดีอยู่แล้วว่าฝ่ายเรามีความสามารถที่จะติดตามค้นหาเขาได้อยู่แล้วอาจจะช้าไปบ้างเพราะคําทางวันสองวัน ก็ยังดีกว่าที่จะต้องมาต่างฝ่ายต่างเดินวนเวียนค้นหากันอยู่แบบนี้ไหนจะฉันเองซึ่งเป็นพรานเก่าไหนจะขยินไหนจะลุงอินมีเหรอในข้อที่ว่าถ้าหากเขายึดที่อยู่ให้แน่นอนสักระยะหนึ่งก่อนแล้วทางเราจะตามไม่พบนี่เขาเล่นออกเดินตลอดเวลา ดูไปแล้วมันเหมือนกระถ u งเวลาการตามให้มันล่าเช้าไปอีกดีไม่ดีจะพบกันลาบากที่สุดเพราะต่างฝ่ายต่างก็เดินหมุนวนหากันอยู่อย่างเงี้ถ้าหนทางมันแค่ปากน้ำสมุดปราการไปสี่แยกบ้านแขกมันก็ยังพอจะตามทันกันได้ล่ละแต่นี่มันโดงทึบดงมรณะที่มีแต่อันตรายรอบด้านนะเชตถากชัยันอึ้งไป แต่ก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีทั้งสองตรหนักดีมันนานแล้วว่าแม้จะเป็นหัวหน้ามักคุเทศนำทางมาในครั้งนี้อนุชาวราริศก็มีความขุนข้องขัดใจคำเหม็นหน้าน้องสาวคนเล็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมักจะมองอะไรในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาอีกกลางแคเกลียดน้องสาวคนนี้ของแกมากนักเลยวะ่ะ ชั ย, ยันพโล่งออกมาอย่างเริ่มฉุนชั ย, ยันฉันรักน้องสาวของฉันแล้วถ้าเขาจะเป็นอะไรไปแล้วก็ให้ฉันเมียนเป็นไปแทนเขาจะดีกว่าแต่ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะตำหนิเขาไม่ใช่เหรอเขาผิดตั้งแต่มีความคิดที่จะตามระพินแล้วพวกเราทั้งหมดตกบันไดพลอยโจร น้องสาวจะเป็นจะตายก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยรับพินน่ะจะยังไงซะเาก็เอาตัวรอดในวันยังคำ่ำแต่พวกเรานี่สิมีโอกาสที่จะพังพินาศกันได้ทั้งคณะในการเดินทางครั้งนี้นี่กลางทำไมเราถึงจะต้องมาทะเลาะกันในเวลาที่น้อยกำลังอยู่ในภาวะอันตรายอย่างเงี้ยพี่ชายผู้ใจเย็นที่สุด หน้าตึงขึ้นมาทันทีพูดเน้นหนักคุณชายอนุชารู้สึกตัวยกมือไหวขอโทษครับพี่ใหญ่ผมขออภัยครับบางทีอาจจะเป็นเพราะผมเป็นห่วงเขามากเกินไปครับก็เลยพูดอะไรไม่สมควรออกมาขออภัยด้วยครับสำหรับพี่นะกลาง พี่คิดแต่เพียงว่าน้อยนะพยายามอย่างที่สุดเพื่อจะช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วก็เชื่อแน่ว่าการเคลื่อนไหวของเขาทุกฝีก้าวหมายถึงการต้องการที่จะกลับมารวมพวกกเราก่อนพี่ไม่คิดหรอกว่าเขาจะอาดหารตามประพินในภาวะอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องมีสติยังคิดได้ว่าพวกเรากำลังเป็นห่วงเขา เธอเหนื่อยมากแล้วมั้งกลางจะอย่างไงก็นอนพักสักงีบนึงพี่แน่ใจว่าลงเราได้ร่องรอยเขาแน่ชัดถึงขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ยากหรอกที่จะตามต่อไปให้พบอนุชาวราริ์ไม่กล่าวอะไรอีกลุกขึ้นยืนแล้วพยักหน้าเรียกนานอินกัคยินให้เข้ามาหาจากนั้นก็พากันออกเดินตรวจบริเวณรอ บ, รอบ ขณะที่เชิฐาและชัยยันกับพวกลูกหาบส่วนใหญ่ยังนั่งพักกันอยู่ในตำแหน่งอาศัยนอนของดาริงปล่อยให้อนุชาหนันอินและขยินเดินเลาะลัดตรวจสถานที่หายไปในป่าหินรอบด้านครูใหญ่ต่อมาก็แววเสียงอนุชาก้องออกมาจากวิทยุที่เปิดไว้อย่างค่อนข้างตื่นเต้น พ, พี่ใหญ่ครับว่าไงกลาง มีอะไรเพิ่มเติมเหรอเชษฐาควาวิทยุกรอกคำพูดลงไปโดยเร็วมีเรื่องแปลกมากครับพี่ใหญ่เสียงของอดีตพลานชดยังร้อนรนอยู่เช่นนั้นมีรอยของสัตว์ใหญ่ขนาดช้างตัวหนึง่งเดินผ่านเข้ามายังบริเวณป่าหินนี่ครับพระส่วนร่างกายของมันน่ะเสียดสีกระทบแก่งโคดหินเล็กๆเป็นรอยหักไวใหม่ แล้วก็มีรอยเท้ามันด้วยครับฮะนานเท่าไหรแล้วร่องรอยที่พบอ่ะท่านหัวหน้าคณะโดดขึ้นยืนทันทีพร้อมกับร้องออกไปชยันก็พลอยผุนผันขึ้นมายืนด้วยขณะนี้ได้ยินแต่เสียงทางวิทยุ ข, ของอนุชายังไม่อาจมองเห็นตัวกันได้เพราะเหลี่ยมหินระเกะระกะบังอยู่ทั้งรอยหักของแง่หินรอยเท้า มันสดสด ร, ร้อนร้อนเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับทิศทางเดินเลาะโคดหินของมันบ่ายหน้าไปยังตำแหน่งที่พักนอนของน้อยที่เราพบนั่นแหละตอนนี้เธออยู่ตรงไหนล่ะตางเชิดาพูดเร็วปลือผมก็อยู่ไม่ห่างนักหรอกครับเดี๋ยวจะส่งขยินไปรับคอยอยู่ตรงนั้นแหละครับอึดใจใหญ่ต่อมาร่างของขยินก็โผล่ปีนขึ้นมาใหห็น ตรงเนินหินฝั่งซ้ายมือส่งเสียงกูเป็นสัญญาณให้ทุกคนหันไปมองระยะที่ขยินโผล่ขึ้นมาห่างออกไปเพียง25้าเมตรเท่านั้นในบ้านลมช้างโบกมือเรียกอยู่ ย, ย้อยๆและยืนเด่นให้เห็นตำแหน่งของตดเชตดาชัยยันรีบเลาะลัดตัดทางไปตามแนวโคดหินนั้นทันที ลงไปยังขยินตําแหน่งแรกพอกใต้เข้ามามันก็โดดจมายังพื้นแล้วออกเดินนําไปตามป่าหินนั่นโดยเร็วและชั่วไม่กี่อึดใจก็โผล่ออกมาถึงบริเวณช่องทางเดินแคบแคบในระหว่างหมู่หินที่งอกโผล่ยื่นลําออกมาเป็นกิ่งกา้านบริเวณ น, นั้นอดิตพรานชดกระนันอินยืนคอยอยู่แล้วพอทั้งสองเข้ามาถึง อนุชาก็ชี้ให้ดูกิ่งหินสองสามกิ่งที่ลนหักอยู่ยังบริเวณ น, นั้นสามสีท่อนกลิ้งอยู่กับพื้นร่องรอยของมันแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าได้มีสิ่งที่ใหญ่และมีพลังมหาศาลมาชนกระทบหรือคลูดจึงเป็นสาเหตุให้กิ่งอันยืนลำทางของมันต้องกระทบหักเพราะทานแรงไม่ไหวเชิฐาก้มลงไปตรวจ ด, ดูทันที แล้วเงยขึ้นหาตำแหน่งที่มันหักก็พบว่าเป็นรอยหักชนิดท่า น, นำขึ้นมาต่อเชื่อมจะเป็นกิ่งจากโขดหินเหล่านั้นแน่ชัดช้างใหญ่ราชสกุลพี่ใหญ่อุทานออกมานี่รอยมันส่อชัดว่ามีช้างใหญ่มากทีเดียวได้เข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ น, นี้แล้วก็ในเวลาใกล้เคียงกับที่น้อยพละจากที่นี่ไป ตัวดูให้ดีที่มีรอยเลือดหรือรอยต่อสู้ของน้อยมั่งหรือเปล่าใกล้ๆบริเวณเนี้ไม่มีเลยครับอนุชาบอกมาอย่างงงๆพลางสั่นสีสะัะหัวคิ้วขมวดยน่นมีก็แต่รอยเดินเข้ามาแล้วก็เดินกลับออกไปตามปกติของมันมันน่าแปลกมากครับไอเจ้าว่าน้อยไม่รู้ตัวในขณะที่มันเดินเข้ามามันก็ไม่ได้อะ เพราะการเดินเบียดกระทบกิ่งหินหักหล่นอยู่เหล่านี้เขาจะต้องรู้ตัวและถ้าเขายิงมันก็น่าจะมีรอยเลือดของมันบ้างหรือว่าทานน้อยเสียท่าถูกมันทำร้ายศพของเขาก็จะต้องเละเทะอยู่บริเวณ น, นี้แหละแต่นี้มันไม่มีอะไรเลยระหว่างที่พี่น้องพูดกันอยู่นานอินแกะรอยอย่างรวดเร็วไปก่อนแล้วพร้อมกับร้องเร่งมาทางวิทยุว่า ตามมาได้เลยเจ้านายมีรอยไอ้ช้างลึกลับเดินไปทางด้านที่มันแอบย่องเงียบขึ้นมานี่แหละแต่ไม่มีรอยของนายหญิงอีกเลยมีแต่รอยช้างอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่พบไอ้ด้วนมากับเราซักก่อนเราก็ต้องนึกว่านายหญิงขึ้นนั่งคอเจ้าด้วนาไปแต่นี่เจ้าด้วนาก็อยู่กับฝ่ายเราสามคนมองหน้ากันเองอย่างพิศวงสุดขีดแล้วอนุชาก็บอกให้ยิน ให้ไปตามพวกลูกหาพเพื่อแบกสัมภาร ะ, ะออกเดินทันทีไปเคลื่อนย้ายเดี๋ยวนี้แหละเราจะตามรอยช้างลึกลับนี่ไปไม่ต้องหาร่องรอยนายหญิงอีกแล้วเพราะไม่มีเหลือให้พบอีกเลยมันยังไหนซะแล้วสิขยิงกระโดดถุงไปตามคำสั่งอนุชาพยักหน้ากับพี่ชายและเพื่อนให้ออกตามหลังนานอินผู้ล่วงหน้าไปก่อนพันที ครูพรานไม่รอใครให้เสียเวลาแกคงรุดหน้าไปตามป่าหินที่ลาดลงไปสู่ดงไม้เบื้องล่างตรวจรอยราวกับหมาล่าเนื้อทั้งสามตามหลังมาอย่างเร่งรีบส่วนด้านหลังไปอีกขยินก็นำพวกลูกหาบทั้งห้าคู่ให้ออกเดินทางตามมาเป็นขบวนทุกคนรู้ข่าวของร่องรอยใหม่อันแปลกประหลาดนี้แล้วด้วยความงุนงงไปหมด เพียงแค่ไม่เกินสิบนาทีนานอินก็ลงไปถึงดงเบื้องล่างอันเริ่มด้วยปาโปร่งก่อนเต็มไปด้วยมอและมาสูงสูงต่ำต่ำแล้วแกก็พูดระล่ำระลักมาตามวิทยุนายแปลกแท้ๆรอยช้างเดินลงมาที่ดงนี่ชัดๆแล้วแล้วก็มีรอยนายหญิงฝันกิ่งเถาวันช่อเอื้องคาตกเอาไว้แต่ไม่มีรอยตีนายหญิง มีแต่รอยมีดฝันกิ่งไม้ขาดทิ้งไว้ไอ้ช้างมันคงไม่มีมีดฝันกิ่งไม้หรอกนายเรา อ, อยู่ตรงนั้นก่อนลูกอินอย่าเพิ่งล่วงหน้าไปไหนนะอนุชาตะโกนบอกไปพร้อมกับออกวิ่งเหาะเาะลงเนินหินตรงไปยังร่างของครูพรานเท่าซึ่งเป็นอยู่ในโดงไม้ข้างหน้าเฉษฐากระชั ย, ยันก็เล่นตามไปด้วยความร้อนใจ เมื่อทั้งสามมาถึงนั้นอิง ก, ก็ส่งกิ่งไม้เล็กๆกระช่อกเอื้องดงอันมีรอยคมมีดฟันขาดตกหล่นอยู่กับพื้นให้ฝ่ายเจ้านายผู้เพื่อนตามลงมาถึงดูอดีตพรานชดเชษฐาและชัยยันเพ่งตาขมิ้งและมองหน้ากันเองอย่างเดาอะไรไม่ถูกเอะนี่มันรอยมีดจริงๆด้วยนะมันหมายความว่ายังไงกันนี่แลวตำแหน่งที่ถูกฟันไว ก็เป็นตำแหน่งที่สูงมากคนที่จะฟันกิ่งไม้ระดับสูงขนาดนี้ได้จะต้องครับจะต้องนั่งอยู่บนคอช่างครับอนุชากล่าวต่อเสียงลึกข้าวหน้าของเขาบัดนี้วาดยากที่สุดนี่พี่ไม่เข้าใจเลยนะกลางผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน่ะว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่จากหลักฐานที่เห็นอยู่นี่มันบอกชัด ก็มีช้างใหญ่ตัวหนึ่งขึ้นไปบนป่าหินที่น้อยอาศัยนอนอยู่เมื่อคืนมันอาจจะขึ้นไปในตอนเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ลงมาทางนี้โดยมีน้อยขึ้นไปอยู่บนคอมันด้วยเพราะมีอย่างนั้นจะมีรอยฟันกิ่งไม้เล็กๆทิ้งหล่นอยู่ได้ยังไงโดยไม่มีรอยเท้าของน้อยเลยมันแสดงว่าเขาต้องขึ้นไปอยู่บนคอของมันและที่ฟันกิ่งไม้ทิ้งไว้มันก็แสดงว่า ก็จงใจเจตนาที่จะทําสัญญาณไว้พวกเรามองเห็นนั่นแหละหากพวกเราบังเอิญผ่านมาทางนี้น้อยฉลาดเกินกว่าที่เราจะคิดเพราะถึงแม้จะไม่ทิ้งรอยเท้าไว้แต่ก็ยังอุตส่าห์ทําร่องรอยอื่นๆทิ้งไว้เผื่อให้เราเห็นเธอสันนิฐานอย่างนั้นเหละตลางไม่ใช่แค่สันนิฐานนะครับผมแน่ใจเลยทีเดียวแหละนนทนนเห็นไหมครับ ไม่ใช่เฉพาะที่เรามาดูอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับตลอดระยะทางมีรอยกิ่งไม้เล็กๆที่ถูกลิฟขาดทิ้งไว้มองเห็นเป็นระยะระยะไปทีเดียวใครจะไปฟันลิฟกิ่งไม้ไว้ถ้าไม่ใช่น้อยแล้วก็โปรดูระยะความสูงมันอยู่ในระดับที่คนนั่งอยู่บนคอช้างจะฟันลิฟไว้ได้พอดีเชษฐาตะลึงงนันชยนาอ้าปากค้าง ขณะนั้นก็มีเสียงร้องแผลนยาวของเจ้าด้วนมันวิ่งยาวๆออกมาจากดงไม้อีกด้านหนึ่งและกองปรีเข้ามาพร้อมกับชู ง, งวงสูงส่งเสียงร้องแหลมยาวอยู่เช่นนั้นพอมาถึงก็ตรงเข้ามาเอางวงสู่ดงเหมือนจะพิสูงนกิ่งไม้เล็กๆที่มีรอยมีดฟันขาดตกเอาไว้เหล่านั้น หลังจากนั้นมันก็หมุนตัวคว้างหันรีหันขวางชูงวงร่อนอีกครั้งยังพยายามจะดมคนหาย่ปทุกคนมองดูอาการของมันชั่วขณะจิตขยินนำพวกลูกหาแบกของกันลงมาถึงต่างเห็นเข้ากันหลักฐานนั้นโดยทั่วหน้านเองว่ามันอะไรเนี่ยไอขยิน่น นั้นอินชูช่ะเอื้องในมือขึ้นแล้วชี้ให้ดูตรงรอยมีดตัดไว้คมกริบเป็นรอยเฉียง45องศามีคนนั่งบนคอช้างแล้วคนคนนั้นมีมีดแล้วก็ตัดช่อเอื้อมนี้ทิ้งไว้อดีตนายบ้านลมช้างบอกเสียงหนักๆในลําคอเออแล้วคนนั่งบนหลังช้างน่ะเป็นใคร ไม่รู้อะแต่นายหญิงหายไปไม่มีรอยเดินดินของนายหญิงอีกเลยนี่แล้วเองคิดว่านายหญิงจะไปนั่งบนคอช้างตัวที่เราเห็นรอยอยู่นี่ไหมวะายินตาลอกแลกสีหน้าพิกลเอามือเกากระบาลมันเป็นช้างป่าตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่ไอ้ด่วนของนายหญิงน่ะ หญิงจะไปนั่งบนหลังมันได้ยังไงวะคำพูดซื่อๆทื่อๆของขยิมคือปัญหาที่ทุกคนเผชิญอยู่ในขณะ น, นี้อ่ะก็ต้องตามร้อยต่อไปอะ่ะลูกนั่นไอ้ด้วนออกโดนเร่วไปโน่นแล้วจริงดังว่าเจ้าด้วนส่งเสียงร้องกึกต้องอยู่ตลอดเวลา ร้อมกันมันก็ออกเดินดุมดุมไปอย่างรวดเร็วไม่ยอมฟังเสียงอะไรทั้งสิน้นแม้นั้นอินจะตโกนเรียกให้มันหยุดรอเช่นไรทั้งคณะจึงได้แต่เร่งฝีเท้าตามหลังมันไปหลักฐานที่พบต่อมาแทบทุกระยะของดงที่กำลังเดินกันอยู่ในขณะนี้ย้ำความมั่นใจของทุกคนอย่างเด่นชัดมีรอยฟันกิ่งไม้เล็ก ขาตกลน่นทิ้งเป็นสัญญาณให้เห็นโดยตลอดตามรอยเท้าของช้างใหญ่ที่ผ่านไปในแนวป่าเหมือนจะเป็นสัญญาณนำทางชีบ้บอกมันบ่งความหมายชัดแน่นอนว่าดารินวราริตจะต้องอยู่บนคอช้างลึกลับตัว น, นั้นช้างเจ้าด้วนก็เดินอย่างไม่หยุดรอเลยมันมีอาการเหมือนจะเร่งติดตามไปให้ทันฉะนนั้นแต่นั่นย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะฝฟมนุษย์ที่เดินตามอยู่ในขณะ น, นี้ไม่สามารถจะเร่งฝีเท้าให้ทันมันได้ดังนั้นชั่วไม่นานเจ้าด้วนก็หายลับไปแล้วไม่ต้องไปกังวลกับมันหรอกปล่อยมันล่วงหน้าไปก่อนแบบนั้นนะ่ะดีแล้วมันอาจจะมีความหวังว่ามันจะตามน้อยได้ทันก็ได้เราก็ตรวจ ด, ดูรอยแล้วก็ตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันร อ, รอยที่น้อยทาไว้มันก็เห็นชัดอยู่แล้วนี่อนุชา บ, บอกกับทุกคน นอกจากรอยกิ่งไม้ที่ถูกตัดขาดทิ้งไว้ตำแหน่งไหนที่ไม่สามารถจะตัดให้ขาดหล่นลงมาได้ก็เป็นรอยมีดฟันถากไว้เพื่อเห็นรอยเวกของผิวต้นไม้ชัดระดับมันก็คือสูงจากพื้นขึ้นไปประมาณสองวาอันเป็นตำแหน่งที่มนุษย์ผู้นั่งอยู่บนหลังช้างจะทำตำหนิทิ้งไว้ได้นั่นเองมันช้างอะไรกันบ้าเนี่ยช้างที่ไหน มาใน้อยขีย่คอมันไปแล้วทําไมเขาถึงต้องไปกำมันน้อยสามารถทําความเข้าใจกำมันได้ยังไงชยันสุดที่จะอดทนต่อความประหลาดใจไว้ได้หลุดปากลั่นออกไปในขณะที่ต่างกําลังสาวรอยไปทุกระยะเสียงหนานอินที่ล้ําหน้าไปไกลกว่าทุกคนในขณะนี้รายงานมาอีกว่าได้พบรอยช้างอีกสองตัว เข้ามาร่วมขบวนกับช้างที่นำดารินไปด้วยโดยพลูออกมาจากสองข้างทางเข้ามาสมทบอนุชาสั่งการให้นันอินหยุดรอก่อนเพราะขณะนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่นันอินจะต้องรุดหน้าไปก่อนเนื่องจากหลักฐานพอเห็นชัดโดยไม่จําเป็นจะต้องสแสวงหาเพิ่มเติมนอกจากจะคอยติดตามสาวรอยไปเรื่อยๆนันอินจึงหยุดรอทั้งคณะ บัตรนี้เดินร่วมทางไปพร้อมๆกันพร้อมทั้งปรึกษาหารือกันไปพลางลุงอินว่าไงเนี่ยจากสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเชยถาถามนานอินแยกเขี่ยวนานอินก็บอกไม่ถูกเหมือนกันได้แต่เดาๆาเอาเท่านั้นแหละนหนใหญ่แล้วลุงเดาอย่างไงช่วยบอกหน่อยสิ พวกฉันน่ะงงกันไปหมดและใชัยันว่าตาก็มองจับไปยังรอยที่เชื่อแน่ว่าดารินวราริทใช้มีดทำเครื่องหมายชีย้ทางไว้นานอินเดาวา่าแกเว้นระยะไปนิดนึงสะบัดหน้าเราเราเอามือตบที่ขมับตนเองแล้วหันกลับมาย้อนถามอดีตพรานชดสหายร่วมตายของแกในอดีต รันโชเอาว่าไงไอที่เห็นอยู่นี่น่ะอนุชาวราริศสันน้าอย่างจนปัญญาฮฉันก็ไม่รู้เหมือนกันลุง้ดาไม่ถูกนานอินว่ามันจะต้องเป็นช้างที่อยู่ในอำนาจมุนคชสารของไอ้มันไพรแล้วก็ถูกทรงให้มารับตัวนายหญิงเพื่อบายหน้าไปที่ไหนสักแห่งนึง สามร้อยที่เรากําลังแกะกันอยู่นี่แหละแต่ทําไมนายหญิงถึงยอมไปกับมันหรือว่ารู้เรื่องรู้ภาษาขึ้นไปอยู่บนคอมันได้ยังไงไอ้ด่วนแบบนี้น้านินเดาไม่ถูกลักษณะนายหญิงยอมไปกับมันดีๆขึ้นขีคอไปอย่างสบายเลยก็แปลว่านายหญิงจะต้องเข้าใจอะไรที่เราไม่เข้าใจ เพียงแต่ว่านายหญิงฉลาดรอบครอบมากที่ไปกับช้างผีตัวนั้นแล้วก็ยังอุตสาหฟันกิ่งไม้ไว้เราเห็นเพื่อว่าเราจะเดินผ่านมาทั้งนี้จะได้พบแล้วรู้ทิศทางว่าบายหน้าไปทางไหนฝ่ายนายจ้างอึ้งไปอีกอยังสุดที่จะคาดคะเน อ, อะไรได้ครับพี่ใหญ่ มันก็เป็นอย่างที่ลุงอินบอกนั่นแหละน้อยไปกระช้างตัวนี้และบริวารที่เข้ามาสมทบอีกสองตัวเข้าขาบวนคุ้มกันไปด้วยปัญหาที่เราไม่สามารถจะขบแตกได้ก็คือน้อยไปกับมันได้ยังไงอะไรที่ทำให้น้อยเข้าใจมันแล้วก็ยินยอมพร้อมใจที่จะไปกับมันทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเขากำลังจะเดินทางไปสุดจุดอันตรายขีดสุด หากว่ามันเป็นช้างที่ส่งมาโดยไอ้ผีดิบมันไรอืมจะยังไงก็ตามเถอนะพี่ก็คิดว่าน้อยทําถูกกันล่ละที่ยอมไปกับช้างของมันมิฉะนั้นเขาอาจจะได้รับอันตรายซะก่อนหลักฐานที่เราพบไม่ปรากฏว่าจะมีการต่อสู้กันแล้วเขาก็ไม่ได้ยิงมาเลยมันเป็นการยินยอมที่จะไปกับมันโดยดีที่สุด ก็จะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่เรายังค้นไม่พบหรือเข้าใจได้ในขณะ น, นี้แต่การฟันกิ่งไม้ไว้ให้เราเห็นมันก็บ่งชัดว่าเขาบอกทิศทางไว้ให้พวกเราตามไปนั่นเองเชษฐาเอ่ยขึ้นอย่างไตรตรองลึกซึ้งแต่ก็เต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากใจเหลือประมาณแล้วเราจะทำยังไงกันเดียเนี่ยเมื่อพอจะรู้แบบนี้แล้วเนี่ย ชยันถามมาอย่างวิตกเต็มที่ก็คงไม่มีอะไรทําได้ดีมากไปกว่าที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้คือสาวรอยไปเรื่อยๆจะต้องมีจุดพบเข้าที่ไหนที่หนึ่งอะในหนทางข้างหน้าเนี่ยหัวหน้าคณะตอบมาอย่างน้อยที่สุดน้อยก็ออกเดินทางล่วงหน้าเราไปก่อนแล้วถึงแปดชั่วโมงทีเดียว ไอเราจะตามทันเมื่อไรที่ไหนไม่จะเดินไปตามธรรมดาจะเข้าไปกระช่างด้วยนะเอานะตามทันที่ไหนเมื่อไร่เราก็ต้องตามอยู่แล้วล่ะเราพยายามกันจนสุดความสามารถแต่ยังตามไม่ทันก่อนตะวันตกดินวันนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนก็ออกตามใหม่ ก็เชื่อว่าน้อยจะต้องทิ้งรอยไว้เราตามได้สะดวกทุกระยะนั่นแหละเพียงแต่เขาล่วงหน้าไปก่อนเรานานหน่อยเท่านั้นไอ้หลักฐานเหล่านี้ยังเป็นหลักฐานที่คืบหน้าและเพิ่มความหวังของเรามากขึ้นทุกขณะ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันเต็มไปด้วยปริศนาเท่านั้น mm hmm. จะเขียนเขียนโน้ตทิ้งข้อความบอกไว้สัหน่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรชยันบน่นอย่างไม่รู้จะบ่นอะไรอีกตามปภาษาครับ ก็ไม่มีใครสนใจอีกหนึ่งชั่วโมงเต็งเต็ที่เริ่มนำเข้าสู่หุบลึกมีระดับลงในช่องโตรป่าเริ่มทึบขึ้นแต่รอยฟันบากกิ่งและลำต้นของไม้ที่ผ่านไปก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ทุกระยะถ้าไม่ใช่พระเจตนาจะให้ฝ่ายของตนมาพบและตามไป ก็คงจะเผื่อเอาไว้สำหรับการที่จะย้อนกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมตามหลักของการเดินป่าที่ได้รับการฝึกสอนมาอย่างดีแล้วของดาริตะวันเริ่มอ่อนแสงลงเป็นลำดับพร้อมทั้งเงาแห่งความมืดที่โรยตัวลงมาปกคลุมทุกคนยังคงรุดหน้าต่อไปอย่างไม่เห็นกันเหน็ดกันเหนื่อยไอ้ด่วน ครั้งแรกมันก็แลนตะโพงหายล่วงหน้าไปก่อนแล้วจนลับตาเหมือนกับว่ามันจะเร่งตามให้ทันโดยลำพังตัวมันเองแต่แล้วทั้งคณะก็เห็นมันอีกครั้งยืนหยุดรออยู่ในหุบลึกระหว่างซอกเขาใหญ่กระดึงที่ดารินเคยสั่งให้ทํเติดคอไว้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะช่วยไม่ให้เกิดการหลงผิดขึ้น เพราะจะได้ยินเสียงลั่นอยู่โกรกเกรกโกรกเกรกเป็นสัญญาณให้รู้ว่าคือตัวมันไม่ใช่ช้างป่าอื่นแปลกปลอมเข้ามาได้พอเห็นว่าคณะของฝ่ายมนุษย์ตามรอยมาอย่างถูกทิศทางและเริ่มใกล้เข้ามามันก็เริ่มออกนำต่อไปอีกแต่คราวนี้ไม่รีบร้อนเหมือนครั้งแรกคงเดินนำอยู่เบื้องหน้า ในรัศมีที่พอจะให้ฝ่ายมนุษย์มองเห็นได้เอ้ท่าทางมันเฉื่อยชารู้นะกลางดูจะไม่ลุกล้นเหมือนตอนแรกที่พบรอยนายหญิงของมันเชษดถาบอกกับน้องชายมันไม่ได้เฉื่อยชาหรอกครับพี่ใหญ่แต่มันรู้แน่แล้วล่ะว่าจะยังไงซะก่อนตะวันตกดินวันนี้พวกเราหรือตัวมัน คงยังตามน้อยไม่ทันแน่ๆแล้วมันก็ต้องมีสัญชาตญาณรู้ว่าถ้าขืนบุกตามไปตัวเดียวโดยไม่มีพวกเราอยู่ใกล้มันก็อาจจะถูกดักรุมเล่นงานเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยจําเป็นต้องรอคอยพวกเราเพราะอย่างน้อยมันก็ยังหวังพวกเราเป็นที่พึ่งอยู่เหมือนกันไอ้ด้วนมันฉลาดมากครับมันรู้ว่าลําพังตัวมันตัวเดียวอะมันถูกรุม และมันก็สู้ช้างผีสิงที่มีพวกเป็นโขลงไม่ได้ไงๆมันก็ต้องคอยได้รับการคุ้มครองจากไรเฟิลของพวกเราอยู่ดีะอะเรอีกประการหนึ่งที่เจ้าด้วยนยอมหยุดรอเราก็แปลว่าขณะ น, นี้ระยะทางระหว่างเรากันน้อยยังคงห่างไกลกันมากต่อให้เร่งสักขนาดไหนมันก็ไม่ทันนั้นอินบอกให้ฝ่ายเจ้านายรู้ว่ามีเวลาที่จะเดินตามได้อีกไม่นานนัก ก็ต้องหาที่พักแรมเนี่ยทุกคนรับทราบอย่างไม่สบายใจเป็นที่ยิ่งเพราะะหนักแน่แกใจว่าบัดนี้เปรียบเสมือนดารินได้ตกอยู่ในกำมือของจอมผีดิบมันไรซะแล้วมันจะเอาเธอไปไหนเอาไปเพื่ออะไรและทําแม้ว่ามันจะทำอันตรายใดๆแกหลอนก็เหตุชนไหนจึงไม่ส่งช้างพวกนั้น เข้าขัี่หล่อนเส้อให้มันรู้แล้วรู้รอดเพราะตัวหล่อนเองก็ไม่ได้มีอาวุธใดๆที่จะหยุดช้างไว้ได้นอกจากปืนสั้นกระบอกกระจิ๋วหลิวแค่กระบอกเดียวเท่านั้นที่ติดตัวอยู่ในยามนี้ทุกคนของฝ่ายติดตามเหงือชุ่มโชกกายราวกะอาบน้ำมันเป็นวันแห่งการบุกบั่นกันอย่างสุดฤทธิ์เกินกว่าการเดินทางมาแล้วทุกครั้ง ความหวังสำหรับวันนี้เริ่มจางหายไปพร้อมๆกับแสงสว่างแห่งทิวาการอันเลือนลางลงเป็นลำดับโดยปีทามืนมืดของราตรีท่ามกลางดงดิบแผ่เงาเข้าปกคลุมพวกเขาชุดนี้จะเดินตามรอยของดารินที่ทำไว้ให้เห็นไปได้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะออกเดินทางไปในเวลากลางคืน ตลอดจนความเหน็ดเหนื่อยอ่อนปี้ที่กํำหนักมาแล้วทั้งวันห6 5ถ้าแม้ว่าฝ่ายของเชษฐาสามารถจะย้อนการเวลาถอยหลังไปเพียง 7-8 ดชั่วโมงเท่านั้นอันหมายถึงเช้าของวันเดียวกันนี้ทุกคนก็จะมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ตามหลักฐานที่ทิ้งไว้ให้พบประกอบกับการคาดคะเนนั่นก็คือน้องสาวผู้หายสาบสูญไปนั่งเด่นไปบนคอคชสารงาดำขนาบข้างด้วยช้างบริวารอีกสองตัวหลอนใช้มีดฟันลิดกิ่งไม้ใบพรึกไปเรื่อยสุดแต่ช้างอันเป็นพาหนะจะนำไปทางใดทิ้งให้ตกล่นไว้ทุกระยะ ด้วยความสันผั์จัดเจณต่อเหลี่ยมคูของการเดินป่ามาก่อนโดยเหตุผลว่าแม้ใครผ่านมาพบข้าวก็จะสังเกตเห็นหรือตัวหล่อนเองจะย้อนกลับมาทางเดิมก็ย่อมจะกลับได้ถูกโดยไม่หลงรพินไพยวันสอนหล่อนไว้เช่นนี้ในกรณีที่เกิดหลงป่าหรือพลัดพรากจากคณะ เจ้าช้างผีสิงอันมีเวทมนต์อาคมของมันไตรกำกัดไว้ตลอดเวลาต่อให้จะฉลาดเกินสัตว์เดรัจฉานสักเพียงใดก็ตามมันก็ไม่มีวันจะฉลาดเท่าทันหล่อนไปได้หรอกราชสกุลสาวทำรอยตำหนิไปเรื่อยๆจากมีดโบวีประจำตัวที่รับไว้อย่างคงกริกกิ่งไม้กิ่งไหนเล็กขนาดที่จะฟันทีเดียวขาดหล่อนก็ฟันไว้ในลักษณะเฉียงปากฉลาม ปล่อยให้ร่วงหล่นทิ้งกับพื้นหรือบางกิ่งไม่ขาดโดยเด็ดขาดก็ปล่อยมันพักพับร่องแรงอยู่และบริเวณใดที่หล่อนไม่สามารถจะตัดให้ขาดลงได้เพราะสถานที่ผ่านไปตามลำต้นไม้ใหญ่ๆก็จะใช้วิธีถากไว้กับผิวเปลือกไม้สายตาสังเกตภูมิประเทศกำหนดทิศทางจากดวงตะวันไปทุกระยะ มันก็สบายสําหรับตัวหล่อนไปอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ต้องลงไปเดินดงด้วยเท้าอยู่ให้มันเมื่อยและไม่ต้องมามัวคอยระแวงภัยจากป่ารอบเพราะทุกเพราะตนเองสถิติดอยู่บนคอช้างใหญ่ที่เชื่อได้แน่ว่าจะไม่มีอันตรายอื่นใดสามารถจู่โจมสอดแทรกเข้ามาได้แน่นอนพลางก็ชมนกชมไม้ตรวจตราดูทิวทัศน์ไปอย่างรอบคอบระมัดระวัง สภาพของดารินขนาดนี้เปรยียบไม่ผิดอะไรกับ น, นางพญาไพรสเสด็จออกประพาสชมป่าเขาลำเนาไพรวีบนหลังช้างสามารถทำให้มองเห็นภูมิประเทศได้ในวงกว้างไกลและมุมสูงมากกว่าที่จะลงไปเดินบุกบันด้วยเท้ามากนักและมันสามารถจะนำห่อนบุกตัดบริเวณพงรกบางแห่งไปได้อย่างสะดวกโดยที่การเดินด้วยเท้าจะเป็นอุปสรรคมากทีเดียว ใจหนึ่งก็ห่วงกังวลต่อคณะของพี่ชายซึ่งปานชนีคงจะออกเดกตามค้นหาอย่างเป็นทุกข์กังวลใจหนึ่งก็ห่วงระพินไพรวันอันไม่อาจทราบได้ว่าขณะนี้เขาไปตกอยู่ในภาวะใดที่ไหนและถ้าหากมันใจรักษาสัจวาจาที่ให้ไว้ในการยินยอมปฏิบัติตัวตามคำสั่งของมันตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นมา ไอจอมผีดิบก็น่าจะยุติเล่กลหมายจองล่างจองผานเขาลงแล้วอย่างน้อยก็ชั่วขนาดหนึ่งขณะที่หลอนกำลังยอมตนเองให้อยู่ในเงื้อมมืออาณัติของมันเช่ขนขณะนี้ส่วนสำหรับตัวหลอนเองจะถูกนำพาไปที่ไหนเพื่ออะไรดารินไม่ได้คิดพวงกลิง่งเกรงห่วงตนเองเลยแม้แต่สักนิดไปไหนก็ไปกัน เกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดแม้จะถึงที่สุดของชีวิตก็ขอยอมแล้วขอเพียงให้เขาผู้นั้นรอดปลอดภัยก็แล้วกันนี่คือปณิธานที่ตั้งไว้อย่างแน่วแน่ของดารินวราริกพยายามตรึกนึกทบทวนไปถึงเหตุการณ์ตอนที่หล่อนได้พบกมันไรเมื่อดึกของคืนที่ผ่านมา ทุกประโยคทุกคำพูดที่มหาปุโรหิตผู้เรืองเวทอันมีความผูกพันอยูก่กับหลอนในอดีตชาติบอกเล่าไว้มันยังสะท้อนกล้องอยู่ในสมองจำได้หมดทุกถ้อยกระทงความจุดหมายปลายทางที่หล่อนยินยอมตัวให้ช้างงาดำอันถูกส่งมารับไปนี้ก็คือมหาปราสาทจิตรางขนงัง มันถูกอ้างว่าเป็นราชฐานเดิมของหลอนนั่นเองมันใรต้องการให้หลอนคืนกลับไปณที่นั้นซึ่งกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในมหาปราศาสตร์และอุทยานแห่งนั้นยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านมานานสักเท่าใดแล้วซ้ำยังบอกไว้อีกด้วยว่าหลอนจะได้พบกับภาพปั้นประดุษมีชีวิตจริง ของกิจรางคนาประดับอยู่เหนือบลลังทรงเครื่องเต็มอิ ส, สริยยศเพียบพร้อมดุจเดียวกันกับวันที่นางถูกสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งมากุฎราชกุมารีหวนมาถึงข้อความบอกเล่านี้ดารินยิ้มขรึมเครียดดีมกันหล่อนคิดหล่อนเองก็อยากไปเห็นภาพปั้นของตนเอง ตลอดจนสถานถิ่นบริเวณที่ตนเองมีชีวิตอยู่ในบรรพชาติอันไกลแสนไกลลึกลงไปในอดีตการโพ้นเช่นกันมันจะมีจริงเหมือนเช่นมันไตรบอกไว้หรือไม่มันอยู่ที่ไหนระยะทางมันจะห่างไกลสักเพียงใดจากขนาดที่หล่อนกำลังเดินทางอยู่บัดนี้จะใช้เวลาสักกี่วันก่อนจะไปถึง อีกแวบหนึง่งความทรงจำก็ผุดขึ้นในสมองเมื่อครั้งก่อนขณะผ่านมาในอาณาจักรนิทรานครนี้พร้อมระพินไทรวันคราวออกติดตามพี่กลางของหล่อนตัวหล่อนเองเคยเสียท่ามันไรมาครั้งหนึ่งแล้วมันได้ใช้อำนาจจิตสะกดขโมยลักพาตัวหล่อนไปไว้เป็นเฉลยโดยนำไปเก็บกักไว้ในครูหาถ้ำแห่งหนึง่ง มันเป็นสถานที่อันมีลักษณะน่าสะพึงกลัวมากเหมือนถูกขังอยู่ในสุสานลึกไม่ได้มีส่วนใดที่มองดูน่ารื่นรมเลยสักนิดไม่มีข้าวเงื่อนร่องรอยว่าจะเป็นปราศาสตร์ราชฐ า, านอันโอลานและในครั้งนั้นหล่อนหลุดรอดออกมาได้ด้วยการช่วยเหลือของวิญญาณขุนพลบรมันที่สิงอยู่ในร่างกายของแงซาย วิญญาณของวรมันในร่างของแง่สายได้นําหล่อนหนีเล็ดโอดพ้นเงื้อมือมันไตรออกมาได้จนสามารถพบกับพักพวกที่ติดตามมาในครั้งนั้นเหตุใดมันไตรจึงไม่นําหล่อนไปสู่ปราศาสจิตรางคณาเหมือนเช่นที่มันบอกเล่ากับหล่อนไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาหรือว่าในครั้งนั้น ดวงกิจของมันยังมัวะวงอยู่แต่เจ้าหญิงพันธุมมวดีซึ่งเป็นเฉลยสำคัญที่มันได้ครอบครองมาโดยตลอดโดยมีคณะของหล่อนภายใต้การนำของระพินเข้าไปทำการแก้อาถรรพ์ปลดปล่อยพันธุมมวดีให้พ้นคำสาปออกไปคิดไปไม่ถึงเลยสักนิดว่าเรื่องราวของนิทรานาคร จะมาเกี่ยวเนื่องผูกพันเป็นลูกโซ่เอากระตัวหล่อนเองและชายอันเป็นที่รักในชาตินี้อย่างสนิทแน่นแฟนที่สุดและถ้าเหตุการณ์ได้เป็นไปเช่นนี้แล้วมันไตรก็หาใช่สิ่งแปลกหน้าของหล่อนเลยไหมมันก็คือที่ปรึกษาราชาการแผ่นดินของสมเด็จพระราชบิดาผู้หลงรักสมัครมั่นแอบหมายปองหลอนมาในปางบันนั่นเอง และเฝ้ารอคอยการกลับคืนมาของหล่อนนับได้อันันตชาติหล่อนเกิดแล้วตายนับชาติพบไม่ท่วนแต่ปุโรหิตมันไรผู้แก่กล้าฤทธิ์ดเดชเวทมนคงความเป็นอมตะมาตลอดณนะบัดนี้มันเป็นความคิดคำนึงของหล่อนแต่เพียงผู้เดียว อันไม่มีโอกาสจะบอกเล่าปรึกษาหาหรือผู้ใดได้ทั้งสิ้นและคงจะไม่มีโอกาสได้นำความลี้ลับมหัศจรรย์นในเรื่องนี้ไปบอกเล่าให้ใครฟังได้อีกแล้วตลอดเส้นทางที่ช้างนำหล่อนผ่านไปในดงลึกอ้างว้างเปล่าเปลียวหล่อนมองไม่เห็นวิแ ว, วว่าจะเคยมีมนุษย์ผู้ใดล่วงผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนเลย มันเป็นโลกร้างของเผ่าพัน์มนุษย์อย่างแท้จริงนอกจากสิงสัตว์จตุรบาดรูปร่างลักษณะแปลกๆซึ่งก็เลเห็นเป็นเงาผ่านวอบแวบให้เห็นในระยะห่างโดยไม่อาจย่างกลายเข้ามาใกล้เหมือนจะเกรงเดชอำนาจของช้างงาดำที่มีมนมายาสิงตํา ก, กับอยู่ก็มีเพียงพวกวิหกนกปลาเหล่าสกุลชาตอันบินว่อน แล้วเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงตามคาคบไม้เท่านั้นแล้วก็พวกช น, นีที่โวกโวยโหยหวนอยู่บนยอดไม้สูงบ้างก็ห้อยตัวเกาะกิ่งมองลงมายังหล่อนเหมือนจะทักทายปราใยหล่อนทรงจุ๋และโบกมือให้กับพวกมันบอกระพินด้วยนะว่าฉันผ่านมาทางนี้ ถ้าหากเขาจะผ่านมาในเส้นทางเดียวกันดารินกระซิบสั่งความไปยังพวกลิงข้างบางชนีเหล่านั้น